ด้วยความคารมตอบของสงที่เลใเยในธรรมจะสาธุชนทุกทุกท่านเออวันนี้หลวงตาขอได้มีโอกาสมาพบ ก, กันกับพวกเราที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองที่สามแล้วการมาฟังเทศฟังการพูดในวันนี้ ไม่ใช่มาฟังเอาความรู้อะไรต่อสองตาไม่ใช่เป็นผู้มีงความรู้แ <c oughs> จ่มีประสบการณ์กับการปฏิบัติธรรมเ อ, รเอาใจเอาใจจปต่าลาไม่ใช่ความรู้เลยไม่สามารถที่สอน้ท่านรู้ได้เห็นได้เพียงแต่ขอให้พ่อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ ท่านหังไงท่านสารเรื่องชีวิตของเหล่านี้ทุกคนก็คงจะรู้กันมาบ้างแล้วในวิชาทุทจศาสตร์นะพระิเจ้าทองแสดงไว้มากมายเช่นองสแสดงว่าผู้ใดมีสติต่อเนื่องหนึ่งวัน7เจ็ดวัน อ่างกา ร, นนาาานรกนหนึ่งเาาดือนถึงเจ็ดเดือนหงชาติหนึ่งปีถึงเจ็ดปีที่อาในสงสงประการแห่งเกิมพระอนาคามีบุคคลในชาตินี้สงไปพระอหันต์ในชาตินี้แล้วมีใครที่สูนแล้วนีมบ้างไม่ใช่ไปเรียนรู้แตเริ่องเศรษฐีทำไงไม่ใช่มาพูดเรื่องการบรรยาย ปันยายไม่เป็นไม่ใช่ความรู้เอาชนกะกวามกถาแล้วก็ดูตัวเองไม่เหมาะถ้จะให้เหมาะจริงก็งต้องพูดขณะที่เราปฏิบัติไปสอบวาลงไปให้ความคิดแนะนำตอนที่ทำกาลังำําอยู่เวทีที่ฉันงานในเรื่องนี้คือวัดป่าสุโโต พูดทุกวันตอนเช้า ต, ตอนเย็นันที่ฟังก็ฟังสิ่งที่เขาได้ทำนั่นสิ่งที่เขาได้ยินและยินเราพูดเขาก็ออกไปทําสิ่งที่เขาได้ทําแล้วก็เขาก็ได้ยินสิ่งที่เขาได้ยินเขาไปทําดูวย น, นั่นก็เป็นแนวร่วมเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะ พอดีกันสิที่เราสิ่งที่เราสิ่งที่เขาได้ยินเขาไปทําดูสิ่งที่เขาทําเขาได้ยินมานั่นก็สมดุลกันยิงเป็นเวทีที่เหมาะที่สุดในที่นี้ก็ไม่ได้หมายพวามว่าท่านทั้งหลายไม่ได้รู้อะไรเลยคงจะได้ทํรายงานมาได้เห็นที่นี้ได้รู้ที่นี้บ้างพอทุกคนมิอฉาลีบ้านคนใหม่ที่นี้ ชุมชนของคนเมืองหลวงนี่ที่นี่เป็นแหล่งที่น่าอุ่นใจที่สุดก็ขอเ ป, เป็นเพื่อนนในการศึกษาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะภาพปฏิบัติแต่ไม่พาหลงทิศหลงทางจึงเอาไปทำดูในหลักการกระทำพระพุทธเจ้าพระทรงแสดงไว้ให้มีสติดูกาย เ็กให้เห็นต้องเห็นถ้าไม่ดูมันก็ไปเห็นแม้มันมีอยู่ถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นจึงสร้างภาวะที่ดูเกิดขึ้นความภาวะที่ดูนี่ก็จะพูดตามหลักปรมัชราตรงสร้างใช่มันไปเลยมันมีอยู่แล้วเพื่องความรู้สึกตัวใครก็เมืสัตว์ทุกเพศมีอยู่แต่มีสติธรรมดาสเดฉันก็มีสติเหมือนกัน แต่มันไม่ใช่เป็นภาวะที่ดูมันไปตามเหตุปัจจัยของภาวะของสัตว์รู้จักรลบพายตามภาษาของเขาแต่ภาวะที่ดูเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันเป็นไม่ใช่การธรรมดาที่เห็นวงหลงก็มีความรู้ขณะที่มันหลงอยวให้มันหลงฟระ ความหลงเป็นประโยชน์เพามันเกิดควรู้ขึ้นมาได้แต่ความหลงแล้วลหลงเจริญขยหนมีประโยชน์ไว้หรือว่ามันเคยชินไปเสแล้วเป็นนิสัยโอหางยลิตไปแล้วไม่ที่จะหลงมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากความหลงเลยแต่ที่เราจะมีประโยชน์ประโยชน์นั้นเกิดจากความหลงเนี่ยมันยอดเยี่ยมา ปยชนนั้นเกจกาทุกข์อยยมที่ส่วยิ่งตรงกั้ามองเห็นอยงเวลามันทุกอะไร้ออยู่ตรงนั้นมกรู้ไปทุกข์เวลามันสุขรอยู่ตรงนั้นยู้มันก็รู้สุขรู้ทุกข์ตัวนี้ยัวรู้ซื้อตัวนี้มีาเราว่าใครเท่ารข้าจ๋า เวลาบรรุก็มีรถชาติความสุขไปเวลามันทุกก็มีรสชาติความทุกข์รถนั้วมันก็เลยใหญ่โตมันก็เป็นรถของโลกไปความสุขความทุกข์เ็รถของโลกอันธรรมะเนี่ยมันซื่อๆตัวรู้ซื่อๆตัวเนี่ยไม่ไม่ค่าไม่ค่ากันเลยความหลงก็ไม่ค่ามันเลยหัวเรายิ้มในใจเห็นความหลงเห็นความทุกข์ ที่มันแสดงออกมาทางกายทางใจเราสนานการต่างๆแป0หมืสี่ันอย่างสารพัดอย่างสนุกดีสนุกเห็นของจริงของจริงมันไม่จริงเช่นความทุกข์มันไม่จริ ง, รงแต่มันมีอยู่ใครก็เห็นได้ความทุกข์มันไม่จริงหรอกแต่เราไปเสียเวลาการะมาน ก็เราไปเป็นกับเราแล้วไปเป็นสุขเป็นทุกข์กันแล้วความทุกข์เรายิ่งใหญ่ความสุขเรายิ่งใหญ่รักสุขเกลียดทุกข์ทุกคนแต่ว่านีไม่พ้นแต่เรามาเห็นมันซื่อๆเดี๋ยมันจะเรียงค่ามากไปเอาว่าที่รู้ซื่อๆตัวดีให้ค่ามันไม่มีมันเหลือศูนความสุขก็เหลือศูนความทุกข์ก็เหลือศูนย์แล้วมาเกิดอะไรขึ้นให้มีค่าแล้ว เดี๋ยวนี้มันมีค่าความสุขก็มีค่าแล้วก็ต้องเสาะหาความสุขไปซื้อไปหามาด้วยราคาด้วยเงินด้วยทองด้วยเวลามันก็ไปจริงเสมอไปในความสุขเป็งความทุขอย่างนั้นด้วยในความรักความชักเป็นความไม่รักคมาชังอยู่ในนั้นด้วยตรงนั้นข้ามในความรักก่อขากันเพราะความรักได้บัทนี้ภาษาของการปฏิบัติคือ ปติคือกลับมามาให้ค่ามันซื้อๆนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยร้องทับอย่างนี้ดูถ้าเราไม่ค่ามันสักครั้งหนึ่งสองครัง้งมันก็ไม่ค้าโชว์เหมือนเราไปดูการแสดงคนพอเรารู้จักคนวิธีของของเราไม่ค่าการแสดงเขาเขาก็แสดงต่อเราไปได้แต่ก่อนเราหอร้อเราร้องไห้เพราะการแสดงของเขาเพราะเราไม่รู้ พอเรามารู้แล้วโอ้ยมันไม่มีคา่ามันก็ไม่แสดงแหละมันอะไรในโลกนี้มาลายของจริงความสุขไม่ใช่ของจริงความเห็นซื่อจริงกว่าความทุกข์ไม่จริงเราว่าที่รู้ซื่อดีจริงกว่าลองทําอย่างนี้ลองดูประสบการณ์เรื่องนี้ลองดูภาะวะที่รู้ซื่อเดี่ยมันจเจริญไปเรื่อยๆไอ้ใช่ซื่อต่างหาก มันกลายเป็นยานเป็นปัญญาไปด้วยเป็นอย่างนี้การปฏิบัติทำการประสบการเกี่ยวกับการปฏิบัติเกิดขึ้นจากตัวเราใครเป็นงอนสอนธรรมชาติมันสอนธรรมชาติมันสอนเราได้บุญเลี้ยงจากธรรมชาติที่มรนสอนเราเป็นเรื่ของจริงถ้ามันทุก ให้ความรู้สึกชื่อไม่มีตรงนั้นอันความรู้สึกชื่อกับวามทุกข์อะไรเป็นพีรุธตัวเราอะไรเป็นํามตัวเราไม่ใช่ไปถามใครที่หลังเราต้องตอบเองไม่มีคนอื่นตอบให้แล้วก็ได้คำตอบไปเรื่อยๆสมน้าหน้าความทุกข์ต่อว่าความหลงไม่กลัวเลยมันทุกเท่าไหร่ก็สมน้ำหน้ามันไม่ฆ่ามันเลย มันจิบจ้อยไม่มีอะไรไม่การไม่มีการแสดงโชว์มัดก็โชว์นะความทุกข์ันโชว์ความไม่ตกตะลอนเสบีงมันโชว์มากจนทำให้เราหลงบางทีเป็นยานถกกระเป๋ากับบ้านเบือจัดอะไรต่างๆสารพัดอยากมันโชว์ควบมมองเห็นนอนความคิดต้องซัดความวังเลสงสัยอะไรสารพัดอยาก เวลาเราปฏิบัติแล้วเรามีสติเนี่ยอันที่ไม่สติโชว์ที่สุดเลยวิธีใดจะให้หลงกันโชว์ออกมาจากความคิดบ้างจากอาการต่างๆของกายของใจบ้างไปโชว์ออกมาแล้วก็เห็นเราก็รู้เห็นหมดถ้าเราเห็นเราก็ภาวะที่เห็นเนี่ยภาวะที่รู้ชื่อๆมันจเจริญกาย ภาวะที่ไม่เป็นกับอะไรเพื่เจริญถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันเ บ, า ม, นบามันทำถูกเมื่อมันทำถูกมันเบาแล้วก็เห็นความภาวะที่เปนไม่เป็นอะไรมันเป็นทําต่อร่างกายจิตใจเราเลือกได้ชีวิตที่เลือกได้ในบ ท, ทเรีย น, นยจากตัวเราทก่นเราต้องเลือกเอาจะเิตจะปิดไปสูกก็เอาทุกก็เอา แค่พอมาดูเขาอย่างเดีบันเลือกได้ใหนุกดีเป็นชีวิตที่เลือกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการตามทุกคนแจกผู้ปฏิบัตินี่คือของจริงพระพุทธเจ้าจึงประกาศว่าพระทําทนั้นพระผู้มีภาคเจ้าตัดไปดีแล้วว่าทำดีมักกว่าดีทำชั่วกว่าชัว่ว ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไหมจำกัดการเชิญมาดูเชิญมาดูน้อมมาใส่ตัวน้อมมาใส่เราลองดูอะไรที่น้อมมาเวลามันหลงน้อมกวมรู้สึกตัวเข้ามาหาเราใช้เราไม่จนอย่าไปจนความหลงอย่าไปจนควมทุกข์ ไม่ต้องเสียเวลากับภาวะอย่างนั้นเรามีทางออกเราเห็นทางเหมือนเราเห็นตาหน้าโลกภาวะที่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นหา้าโลกเหมือนร พ, พระพุทธเจ้าตรัสพระสาโพอกว่าผู้มีสติเป็นหา้าโลกเหมือนมีสติไปไม่ไนายคือไม่เผยเรียกว่าขีดาศกคือพระอรหันต์ผู้มีสติเป็นหน้าโลก ไม่ใช่วัดกันด้วยชาติชาติวันณะโลกแปบมันเป็นภาวะที่เราสร้างขึ้นมาในชีวิตเราอันนี้เป็นของทุกคนไม่ยกเว้นใครกลุมลู่สึกตัวที่มีอยู่กับเราเดี๋ยวนี้กับกมลู่สึกตัวที่มีอยู่กับพระพุทธเจ้าสองสามพันปีอันเดียวกันกมลู่จุดตัวอยู่กับนักบวชกลุ่มลู่จึกตัวกับฆระวาสอันเดียวกัน อยู่กับเพศใดภาว่าอันใดอันเดียวกันไม่ต่างกันเลยเราจึงมั่นใจมากในการสัมผัสของจริงที่มีอยู่กับเราแค่แต่เป็นมนุษย์สมบัติมีสิทธิแล้วก็ใช่สิทธิของเราเวลามันหลงก็ใช้จิทธิความรู้สึกซื้อเข้าไปเวลามันทุกข์ก็มีสิทธิรู้สึกซื้อเข้าไป เวลามันโกรธมีสิทธิลูกซื่อเข้าไปต้องใช้สิทธิ์ว่าอย่าปล่อยปะแล้วเลยเป็นธบาทิปไตยแต่นี้เราไม่ค่อยใช้สิทธิของเราปล่อยให้มันสุกปล่อยให้มันทุกไปเป็นเป็นร่องเป็นรอยเป็นเป็นสิ่งทติ้งใมันก็ไม่มีประโยชน์หลอมรอยท้างการหนอนไม่ลูกไม่มีค่าเลย ทุกร้อยข้างบนถนไม่มีค่าเลยแต่ยถ้าเรามาศึกษาบทเรียนจากสิ่เหล่านี้่ยมันได้บทเรียนเยอะแยะเรามาดูตามปัทถมพอดีการการตรัสรู้ของพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นขณะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเรามาได้ยินว่ามีมานทิเดปานขันธมานมัจจุบา น, บา น, บานเอวุตตมานสังขันมาน มาลบกวนมันหมายถึงกันล่ะไม่ใช่ไปสนุกสบายนี่แต่มานที่มันมาขวงกั้นทาให้หลงให้หลอยลืมไปเ ย, ยตดบานอะไรละ่ะมันก็มีได้ตามมารคะปฏิฆมาาทิติเกิดขึ้นขณะที่เราทำความดีก็มีมาเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเออ เวลานี้เราไม่ใช่มาคิดหาเหตุหาผลเวลานี้เรามาสร้างตัวรู้ใช้ตัวรู้สึกตัวเข้าไปไหนก็ตามให่กุรู้สึกตัวเข้าไปไม่มีค่าสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นกิเลสก็ดีตัณหาก็ดีราคาก็ดีอุปทานทต่างๆก็ดีขันธมารคื อ, อในกองขันก็แสดง โชว์มีเวทนามีสัญญาสัขางญญาขารเินญาอยเหนในคำนั้ง5ที่มันแสดงออกมาทำให้เราหลงตรง น, นี้ด้วยเหมือนจะเป็นจะตายเข้าต้องร้อนต้องปวดต้องเมื่อยต้งงํทำท่าเจ็บไข้หรือปวดัวดตายขึ้นมาอะไรก็ทำให้กลัวขึ้นมาได้ครับที่มันแสดงออกเราก็รู้ชื่อเข้าไป บาบาที่รู้ซื้อเข้าไปมันก็มันก็ไปถึงบาบาที่ซื้อซื้อเข้าไปไม่มีค่ายแล้วต้องเดินตรงนี้ไปข้า อ, อจากตรงนี้ไปที่จะเป็นการเหมือนการเกิดแก่หยับตายมันต้องมีเกรดตั้งแต่นี้เป็นน่อนไปไปบัติธรรมะนี่ก็มีเกรดรเหมือนการศึกษาต่างโลกเขาเกรดดีมันเข้าในรู้มหาวินหายใจได้ การปฏิบัติทำถ้าเกรดมันดีก็เขโคตรดูแห่งพระอิ่มคนได้ง่ายๆไม่ยากเกินไปเคือิดไรมันดีอยู่ตรงไหนมันตกวันผ่านตรงไหนถ้ามันหลงเอาลู่ซะผ่านแล้วอยากให้ความหลงบางกว้างกันถ้ามันทุกก็รู้ซะถ้าทุกเนี่ยพาให้เราถึงความรู้ม้นก็เกรดมันดีแล้วมันทุกเกอดรู้ทุกทีมันก็ผ่านได้ทุกที เป็นการสอบผ่านเป็นใครเป็นคนให้การทางผ่านอย่างนี้ไม่มีใครให้เราเป็นตัวเราเองที่ทำให้ตัวเราเองรู้ว่ามันผ่านไปควบหลงมันผ่านไปมันไปสู่ความรู้ได้ความทุกคนผ่านไปไปสู่ความรู้ได้มันไปอย่างนี้ของจริงมันต้องไปอย่างนี้ถ้าจิตไหนไม่เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเป็นคู่ต้องมีแน่นอน เช่นภาษีตระท ง, งคมองกางเกิดเจเจ็บตายมองเป็นคู่เมื่อมีเกิดก็ก็มีไม่เกิดแน่นอนเมืมีเกิดเมื่อมีแจ็ต้องมีไม่เจ็แน่นอนเมือมเม่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บแน่นอนเมื่อมีตายต้องไม่ไม่ตายแน่นอนงองอย่างนี้ไม่ใช่มองแบบจนต่ออาการต่างๆที่เพิงเกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่นหาคําต่อ เมื่อมาหาคบตอบอย่างนี้อาการที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้อมองตรงกันค้าบได้ทันทีไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเกิดเจ็บตายแต่เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี้จงดูในตรงกันข้าบให้มันดีๆใส่ใจดีๆตรงนี้อย่าปล่อยปละและเลยอย่าให้มันฟรีมันหลงฟรีฟรีมันทุกขฟรีฟรมันสุขฟรีฟรีไม่ได้ มันเอาไปปีไม่ต้องให้ไปไปอย่างนั้นเราค่ามันก็ประโยชน์จากมันประโยชน์ที่มันเคยจากตัวมันเองมันมีอยู่เหมือนปุ๋ยมันเป็นของสุกปกแต่มันเป็นประโยชน์ต่อพืชต่ตงางๆธรรมะบางอย่างกบุกแต่แท้ทให้เกิดวบรรู้ทําได้กุ่มหลงแต่แทําให้เป็นการมารลุทําได้ อะไรก็ตามที่มันเป็นคู่กัน่ะมองดีๆเวลอเราศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะไม่ใช่เป็นนั่งอยู่ในวัานในป่าถ้าได้หลักอย่างที่หลวงตาพูดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ทำได้ยิ่งเราเป็นทํางานทําการแล้วไปชอบครอบครัวทํางานตามอธิบดีมันย่อมเกิดแน่นอนอะไรต่างๆยิ่งเกี่ยวข้องกับอื่นยิ่งดีอ่ะ ยิ่งดงีจะได้เห็นตัวเองมากขึ้นเป็นงานสะท้อนออกมาแค่นี้ก็โกรธหรือแค่นี้ก็ทุกข์แล้วหรือจะได้ดูตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาอย่าเป็นวัวยจักในเพื่อนร่วมงานเลยเอามาเป็นปัญญารู้จักคนรู้จกักถารถ้าถาท้าอย่างไรใครเป็นคนตอบเราตอบเองไม่มีใครรู้เต่าทั้งตัวเราเพาว่าเรา อินทราเราเราก็รู้ตัวเราตัวเขาว่าเขาสั่เสริญเราเราก็รู้ตัวเขาเสรัรนญไม่มีใครรู้ตัวเราทอบตัวเราหลอกในโลกนี้ยิ่งมั่นใจเธอในการศึกษาของจริงเนี่ยอย่าจนมองเป็นคู่ไปเรื่อยๆไปอย่าไปจนต่ลกกนอลู ก, กเกินไปอินทราสั่นๆสุขมากเกินไปเปลี่ยนมันมาเป็นธรรมดามาดูซื่ อ, อลองดูสิ เพราะว่าที่ลูกซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อๆธรรมดามันเป็นมากเป็นผลด้วยการซื้อๆมันมีค่ากลัวจริงด้ที่เราให้ค่าหลายๆอย่างเป็นเราลูกเพราะว่าลูกเป็นคนธรรมันโสมศรอย่าไปไม่ใช่ซื้อๆแบบซื้อบื้อนะไอ้ซื้อๆแบบซื้อบื่อม่ลูกไม่คิดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ถูก เช่นสมัยหนึ่งหลวงตาอยู่วัดจุกะโตไปปฏิโมกที่หอวใจขึ้นไปบนหลังเขาโอปปิโมกเสร็จเดินลงมาผ่านจะลาไก่ก็มีพระเพื่อนกันลงมาหลายหลายลูกผ่านมาชะลาไก่หลวงตาก็ยังไม่ได้ผ่านชะลาไก่แต่ว่าได้ยินเสียงไก่มันร้องกัตตกต้ากตักตตาเสีวกันอยู่ ก็เลยได้ยินเสีงไก่เขาสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เดินมาเห็นกามันกินไข่ไก่ในหลังอยู่ก็ไล่กาออกจากหลงังไข่แล้วถามพระที่เรียนไปก่อนท่านรู้ไหมที่เรียนผ่านสารไก่ไว้จริงมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรก็เนมาเยอะๆแล้ไก่ล่ อ, อ, ลองไก่ตาไก่ตาก็ยินไหมก็ได้ยินอยู่แต่ไม่ได้สนใอย่ามันซื่อบือ้อไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ยินมันได้ยินอยู่แต่ไม่ใช่สนใหญ่ไม่ใช่ไปมีสติตรงนั้นด้วยอาภาวะที่เสียงมันจะไม่สติไ ม, ม่อะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขได้ไหมอันนั้นเป็นภานอกแต่ภ า, ายในเรานี้นะพนูดเสนใจให้มากที่สุดเลยอา่ามันหลงควาเข้าความหลงว่าเป็นความรู้ซะแก้ไขยอย่างนี้เล็กน้อยไป มันจะเจริญไปเรื่อยๆแต่ทำมาอะไรง่ายที่จะหลงถ้าเรามาให้ข้ามันซื้อๆง่ายที่จรู้เข้าไปเอาไปมาตัวรู้ซื่อๆออกหน้าออกตาไปเลยจะเป็นยังไงตอนนั้นอะ่ะมันก็มันก็สะดวกแต่โอกาสะดวกก็สะดวกเแต่ะะว่าที่ซื่อๆเนี่ยก่อนที่มันสะดวกมันต้องมีปัญหาเหมือนกับรถไฟฟ้าจกรมงเทพเรา แล้วตรงไหนมันจ ะ, ะยอ้อนเจตกัดเพราะว่าก็ทมก็แย่ขายเกิดความสะดวกขึ้นมาไมีปัญหาตรงไหนแย่ขายตรงนั้นให้หมดปัญหาไปอันนี้เป็ประตูาภายนอกก็อย่อมทําได้ว่าไม่ได้ว่าแต่ว่าภายในของเรามันทําได้ทุกอย่างเถอะนะอ๋อให้ความอย่างนี้ก็แล้วกันนะใาติโจมทําได้ทุกอย่างให้เป็นความดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ในชีวิตของเราเนะ่ เปลี่ยนผเป็นถูกเปลี่ยนทุกไปไม่ทุกได้อเนี้ยเรียกว่าปฏิวัติธรรมไม่ใช่ไปอยู่ว่าเปลี่ยนดีถ้าเปลี่ยนร้าเป็นดีอยู่ที่ไหนมันได้ามันไม่ดีเน่ยเปลี่ยนมันดีได้โดยพราะจิตใจเนี่เปลี่ยนได้ทุกกรณีเลยอเอาไว้ก่อนถ่ใจเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าป่อยไปจมไปหมกไปเปืดไ ป, เ, ปเรื่องกับจิตเลยเอาไว้ก่อนเอาจิตใจไว้ก่อน ให้เป็นใหญ่ไว้ก่อนไปนใหญ่ในทางดีสเแดจด้วยใจที่ดีเอาไว้ก่อนถึง เ, เจ็บแค่ไป่วยเอาใจไว้ก่อนเพราะเราหัดมานานเราหัดมาชำนาญแล้วพอถึงข้าวก็เป็นกีฬาไปเลยเหมือนคนเป็นนักกีฬาเหมือนคนมีวิชาการต่างๆท่านนั่งอยู่นี้อาจจะชำนาญในทุกสาขาอาชีพ หมอก็มีเป็นนักกีฬาเป็นอ่าอะไรก็มีแต่ทิงขาวที่ท่านมีประสบการณ์นั่นนั่นคือว่าท่านจะโชว์ผีเหมือนทันทีอย่างน้องตาเจ็บป่วยเนี่ยไม่รู้ใครเป็นหมอก็อไปดูแล้วโอ้หมอคือวัอนนี้พอก็มาดูเราก็ขี้ทันทีโลกนี้เป็นอยู่ตอนนั่นตรงนี้เขาโชว์ศิลปะวิชาที่รู้มาเป็นศาสตร์แห่งการเป็นหมอวิอยาาทยาศาสตร์ขึ้นมา นักษาหายแต่เราดูกันไม่ไม่รู้แต่ตัวการฝึกตัวเองเนี่ยอยู่นี่ไม่เป็นไรถึงเขามันเกิดอะไรแค่วันโฉวันเป็นกีฬาของการศึกษาชีวิตของธรรมะเนี่ยการเจ็บก็เป็นกีฬาเนี่ยการตายก็เป็นกีฬาอันหนักการที่เราเจยบเฉยเฉยไม่ใช่เฉยเฉยเสร็จแล้วเป็นกีฬาตรงนั้นด้วยการที่เราจะตายก็เป็นกีฬาตรงนั้นด้วย อนเนื้อการเกิดเจริญตายได้การเกิดคนทางนี้นะจึงไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองเรื่องนี้นะการช่วยตัเช่วยตรงไหนช่วยตรงดีมันไม่ปกติที่มาแย่ความรู้หัดว่างประคัดว่างเก็บตกว่างนอกนอกรูปแบบก็ยังดีอ่าถ้าเรามีรูปแบบก็ดีเวลาว้างๆก็ประคัดบ้าง มีพระอาจารย์มีครอาจารย์สอนเราอยู่แล้วก็ไปฝึกหัดว่าหลายวิธีการในบระเทศไทยเราแต่เบื้องไหนวิธีใดก็ไม่หนีจากสติประฐานสี่คือมีกายมีเวทามีจิตมีธรรมมีอยู่กับเราวันโชวันจะหลงตรงนี้มากกว่าที่อื่นเพราะตรงนี้เป็นเป็นเป็นต้นด่านที่กักให้คนหลงไม่น้อยทีเดียว หลงกายมีภพมีชาติอยู่ในกายเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกูเป็นบัวเป็นตนใจกายเยอะแยะไปหมดเราเอาให้ดีตรงนี้ถ้าเวลาใดกายมันแจ้งออกมาทําไมหลงเราต้องรู้ทันทีไม่เสียเวลากับภาวะที่มันเกิดอะไรขึ้นกับกายจนสําคัญมันหมายบ้านเราเป็นภพเป็นชาติอยู่ในกายหลายแมนแสดงออกหลายอย่างหลารูปแบบเช่นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ความร้อนความหนาวความหิวมันแสดงเรื่องกายขึ้นา่า กลายเป็นเวทนาไปจากกายธรรมราไปสู่เวทนาได้มันต่อไปได้เราก็หลงตรง น, นั้นเราก็ลู้ตรงนั้นอีกเวลาภาวะที่รู้เนี่ยเภา ว, วาที่ทำอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้ก็พระุทธเจ้าเคยเฉลยไปแล้วอายจะว่า ก, กายไม่ใช่สัตว์ตัวคนตัวตนเราเขาเอามาอทาในใจเวทนาที่มันเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ ที่เป็นโกเป็นทุกข์ลองตาอสิว่ามันต่างไงแล้วก็รู้มันนะนะมันไม่ใช่โศกเป็นทุกมันทุกทุกได้เกิดจากกายอมันก็เป็นเบทราจริงแบบเบทรามันไม่จริงแบบเราขอบคุณที่มันมีเวทนามันร้อนเกินมันหนาวเป็นมันหิวเป็นมันปวดเป็นอยู่กัดมันจ็บเป็นเทียบว่าเบธรา ขอบคุณตอนที่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยนะขอบคุณเขาที่เขาเจ็บเป็นไม่หิวเป็นไม่แช่วมาเป็นสุขไม่แค่วมาเป็นทุกข์เวลามันหิวออกมาเป็นทุกข์แต่พี่เอ็มออาเป็นสุขไม่ใช่เลยเป็นธรรมชาติธรรมดาของเวทนาของเขาถ้าเราไปหลงถ้าเราไม่หลงตรงนี้ว่าเจตรลชลตรงนี้มันเรียบไปแล้วไม่มีขึ้นไม่มีหลงไม่มีบอก มันเลี่ยบทำไมเรียบได้ถ้ามันไม่ขึ้นมีสุขมีทุกข์ก็มีขึ้นอยู่เหมือนทางขึ้นเขามันจะขึ้นหน้าผาไปได้ถ้าไม่ทําให้มันเรียบออกมาที่วัดหลวงตาอยู่เป็นเทือดเขาเรต้องทํำให้มันเรียบมันขึ้นได้การปฏิบัติทำอะไรก็เหมือนกันไม่ใช่หักล้าผ้าด้วยเข่าต้องลาดลาดตะวันทำมากอ่าถ้ามันจบก็ไม่ใช่อยู่กับความจบ เป็นเบธนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เบทนาไม่ใช่เบทนาสักก็เบทน า, นามันลาบลงไปแล้วที่ใดที่มันเกิดเบธนาการมันก็ลาบไปถ้าเราไม่หัดตัวนี้ก็เป็นขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นยากผ่านยากเสียเวลาอยู่กับเบทนามากทีเดียวบางทีเสียเงินเสียทองไปเพิ่งไปขี้ไปรักไปโมยไปคลมขืนเดาขโมยในเบทนาทั้งหลาย ถ้าเรามาลูบกันเออเวทนาจากวัยเวทนาไม่ใช่สัตว์ปู่คนโตตนเราเขาสร้างก็เห็นไว้ก่อนแมนะ้ยังไม่ลงตัวพ่อมีก็เห็นไว้ปุ่ยทางเอาไว้ลูบตรงนั้นด้วยเราลูบตรงนี้บันไม่รู้เหมือนก็เป็นมันก็เป็นทางเหมือนทางเดินจะงงเราไปเที่ยวแรกก็ไม่ค่อยมีรอยหรอกเป็นใบตอง เป็นดินธรรมดาแล้วกลับไปกลับมาสักสองรอบสามรอบมันก็เป็นทางให้มาได้กลายไปทางเดินจงกรเห็นชัดเวลาเดินบ่อยๆบางครั้งก็เห็นฉันใจก็ดีการฝึกตนเนี่ยมันก็มีทางไปทางางานกควารู้จึกตัวเหยียบไปทุกที่ทุกทางตรงไหนที่มันไม่เป็นทางก็เหยียบมันตรงนั้นมันหลงมันสุกหรืเหยียบมันตรงที่มันสุก มันทุกข์ก็เหยียบมันลงที่บันทุกขมันโกรธมันวิถุกรรมมันชอบงเหยียบมันลงไปโกมกงเหรอนอนไม่เกิดตรงไหนเหยียบมันลงไปให้มันเป็นรอยอย่างความรู้สึกตัวแม้จะเป็นรอยอยู่ทั่วไปเลยจากที่ลุกลงร่างกายเป็นล่องเปเตียนรอยแห่งควารื้สตัวเต็มไปหมดเรียกว่ามหาเศรษฐิปฐานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลองทําให้สุดฝีมือลองดูนะ ขอท่าถอยดังนี้ขอรับผิดชอบเรื่องนี้ว่าเป็นไปได้ถ้าทํำคำสอนน่ะเป็นไปเพื่อความดับปุ๊บเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปาริธิฐานไา้จ ร, จริงๆถ้าเรามาฝึกตรงนี้ไม่ใช่ไปซสื่อไปหามาอ้อนบอลไม่สําเร็จเลยต้องก็ทําลงไปเช่นเราหลงน่ะใครทําให้เราหลงแม่คนอื่นทํำมา อะไรที่มันเกิดก็เราหลงเองเวลาเราหลงเราไปถามใครไหมเราไม่มีคําถามเรารู้เวลเรารู้เราไปขอใครมาช่วยเลยเราไม่มีการขอจากใครมาช่วยเรารู้เองเวลาเรารู้สึกตัวในเวลามันหลงความรู้สึกตัวก็ไปแทนความหลงได้เพราะความหลงไม่จริงเราเริ่สึกตัวจริงกว่าแท็เกินกว่าใช่ดได้กว่าเป็นทรรมกว่า เลือกนให้แต่จิตที่มันคิดนะมีเหมือนกันาการที่เราดูกายอย่างเดียวดูกจิตดูคิดเห็นธรรมมันโชว์มาหลายอย่างผ่านไม่แต่เปิดต่ปิดไปจิตที่มันคิดนะพูดแล้วหลายข้างหลายผนคิดที่ให้ได้ตั้งใจคิดแบบตั้งใจก็มีเหมือนกันรู้มันตลอเวลานี้ไม่ใช่บ้านนั่งคิดหานะเหตุหานะผล เรามาจเจริญสตินรามาดูว่ารู้สึกตัวไม่ใช่การคิดหาคําตอบจากความคิดไม่ถูกต้องอันความคิดวานคิดได้แต่มันไม่จริงันรู้ได้ใครก็รู้จากความคิดเช่นความโกรธใครก็รู้ไม่ดีความทุกข์ใครก็รู้ว่ไม่ดีดแต่เันอย่างทุกข์พอมามัใช่กวาพบเห็นปฏิบัติธรรมมันตกองเป็นการพบเห็น ไม่ใช่คิดเห็นการคิดเห็นมันไกลอยู่แต่การพบเห็นเนี่ยเห็นเดียดต่อหน้าต่อตาจะเอะกันจะเอะความทุกข์จะเอะกับความคิดจะเอะกับความหลงมันต่อหน้าต่อตาเห็นกับตาจับตามาดูไม่คําตอบตอนทันทีเรียกว่าจะเอะพูดภาษาแบบ อ่าแบบประสบการณ์นะไม่ใช่ผู้ภาษาวิชาการนะธรรมาจะเอเนี่ยคนเดินอยู่อยู่เฝาอยู่ดูอยู่คนเดินผ่านมาก็เห็นต่อหน้าต่อตาจับได้เล็ทันมันเทจริงยังไงที่ว่าพบเห็นการพบเห็นมันใกล้ๆเดี๋ยวนี้กันที่เห็นมันไกลปอาจจะเป็นสองวันสากวันหรือ เดือนหนที่ผ่านไปปีใหม่ที่ยังไม่มาถึงคิดเห็นได้แต่การพกเข็มเป็นของจริงของจริงมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พวกนี้ของจริงมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมือ่อวานนี้ปัจจุบันเท่านั้นเป็นของจริงทําได้เชื่อได้การศึกษากรมาฐานในปัจจุบันเป็นปัจจตังอันหลงก็เดี๋ยวนี้เวลามันหลบมันลู้เดี๋ยวนี้ปัจจตังนั่นที เปลนความหลงเป็นความรู้เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุตตังไม่มีคําถามขาันเป็นของผู้ทํานี่คือของจริงที่เราต้องศึกษากันอย่าไปทอะไรกันมากมายถ้าจะศึกษาชีวิตของตัวเองต้องศึกษาตรงนี้เป็นศาสตร์แห่งความื่นศาสตร์แหงความรู้ไม่ใชศาสตร์อันนอกจากกายจากใจไปถ้ามันจบตรงนี้ก็จบไปหลายอย่างถ้าศาสตร์ตรงนี้จบอดื่มก็สะดวกไป เป็นรงจร ข, ของชีวิตไปะจะอยู่ในโลกอย่างสามจึงขอชวนพวกเราให้เสื่อตัวนี้หน่อยบักลักตรงนี้หน่อ ย, ยศึกษาร้ตันี้หน่อยวิีฐานตรงนี้บ้างถ้าฐานไปตรงนี้ต้องได้กรรมฐานแกนักปฏิบัติกรรมฐานเข้มสี่สิบวันที่วัด เจ็ดวันลรกให้ฐานตั้งฐานได้ก่อนอย่าหนี้จากฐานไปไหนคทํทำย่าง้นเพื่อให้ดูภาวะที่ดูนี่เป็นฐานอะไรเกิดขึ้นเราดูอยากเข้าไปเปลี่ยนกับมันมันรู้ก็อยาเป็นผู้รู้มันสุข ก, ก็อยาเป็นผู้สุขมันทุกข์ก็อยาเป็นผู้ทุกข์มันหลงก็อยาเป็นผู้หลงมันง่วงเหงาหานอนก็อยาเป็นผู้ง่วงเหงาหานอนให้ดูมันตพึ่งตะพุน นิฐานา่าแยกดูดออกไปบางทีมันเกิด ค, ความรู้ขึ้นมาก็อย่าเป็นควารู้ไปจนลืมตัวไปไปตปตเป็นจินตญาณไปการเป็นวิบัติสดูไปได้ก็ดูมันด้วยไปเป็นฐานฐานหมายถึงที่ตั้งที่วางเป็นหักเหมือนว่าเรามีฐานหนักแต่ดังหนักแห่งห น, ห น, ห น, ห น, หนามันโกงก็อยู่ได้ฐานที่ิของเราคือกัรมฐ า, านเนี่ยเป็นที่ตั้งของการกระทำ อตั้งไว้ตั้งไว้ที่ความรู้เฉยๆตั้งไว้ที่กายบ้างเอากายเป็นนิสบ้างหัดไปบางก็มีที่ตั้งในตางรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเขาว่าการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนถอกมีสติมีสมัมผัญญะการมองไปข้างหน้ า, าการเดินไปข้างหน้าการถอยกลับไาข้างหลังมีสติมีสมัมผัญญะ ความพอใจความมใจมีสติสัมัชื่อพเจ้าสองสั่งสอนแล้วจึงมาทำเป็นรูปแบบขึ้นมาหลายวิธีการที่เราสอนกันอยู่ในประเทศไทยเราจึงไม่จนเรื่องนี้กันแล้วก็เหมาะที่สุดจึงมีสถานที่ปฏิบัติธรรมห้องร็อพบอกเราอย่าจนเรื่องนี้กันมีที่รับผิดชอบเรื่องนี้กันอยู่ทั่วประเทศเราจึงไม่ควรจะโจนกัน ก็ไม่มีที่ไหที่ไปก็ชึกษากตัวเองได้ปวดเรียนจากตัวเองมีเยอะแยะไปเลยฮะคามทีความทุกข์ทำเราเกิดศรัทธาได้ความทุกข์แต่แท้ทำให้เกิดเป็นพุทธเจ้าได้เราให้ชีวิตพระอระหันต์จะไปก่อนความทุกข์เกิดเป็นพุทธะเกิดเป็นพระอรหันต์ได้เช่นย่าจากคนละบททุกโดทุกดอดคนวาย เ, ยเดือดคนวาย เ, ยเดือด ตอนนั้นพริเจ้าปฏิตรรุ่ใหม่หมจากเดือนพกษภามาถึงเนียนโคกดาลเลดือนกว่าๆมาเจอคำพูดของคนปร า, าศสีทุกดอกทุกดอกพูดมาแล้วเกินหูนืว่าอะรเกินพระพุทธเจ้าอยู่ป่าอิสิปัตนะเมื่อฤกษาถ่ายวันกำลังจงกรมอยู่ตอนได้รุ่งได้ยินเสียงคนล้อว่าทุกดอทุกดอก พระพุเจ้าสวนนางออกไปที่ไม่ทุกข์เลยที่ไม่บุ่นวายมาที่นี่เถิดผู้คนก็ น, นั้นได้ยินครับพูดสวนว่าเขาเดินเข้าไปหาเห็นพระเจ้าไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าก็เลยไปฟังธรรมได้เป็นพระอรหันหาตา ก, กันทุกข์แท้ๆเหมืนเกิดสติหาทางออกอย่าเพิ่งจะไปตัดสินใจด้วยตัวเอง บางทีมีคนเป็นเพื่อนลงนี่กันอยู่เดยอะแยะจะปล่อยทุกคนเดียวหลงคนเดียวโกหกคนเดียวให้คนอื่นรู้ด้วยมีทางได้แมแต่การเจ็บป่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีโครงการช่วยคนคนเจ็บ5ทีท้องก่อนจะจะฆ่าพวกเราจึางรวมกันขึ้นมาจากพระสงฆ์ข้งางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหมอแพทย์พยบาง ทำโครงการช่วยค น, คนจจาก่อนจะจะกาด5นาทีด้ว่า5นาทีท้องก่อนเจอขาดหลวงตาเคยไปช่วยคนอยู่สหรัฐอเมริการ่วมกับะหาราไปช่วยโรวบันมีผลประโยชน์ก็นำมาปะการตั้งกลุ่มขึ้นมามาช่วยลองดูแล้วก็วมีประโยชน์ไอมีอะไรสอนก็ไปสวด พุทธคุณธรรมคุณให้ผู้ป่วยฟังบทตังสนงาจามีสถานอื่นของข้าพเจ้าไม่มีข้าพเจ้าเป็นสถานอภิเสธของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสถานนี้แล้วข้าพเจ้าจึงควรจับทุกท้งวงได้สวดกันสี่ห้าคนอบังสนงาจามีสถานอื่นของข้าพเจ้าไม่มีข้าทำเป็นสถานอภิเสธของข้าพเจ้า ภาพเจ้าเอาศสยช้นี่แล้วข้าพเจ้าจึงก็จากตัวลั้งวองได้คนป่วยมันก็หลังมีเวลาเจยก็คิดหน้าคีดหลังมืดแผดด้านเมื่อได้ยินคําสวดคำพูดเช่นนี้ขึ้นมา้าพขแล้วคนป่วยแต่ก่อนในหน้ายิ้ขึ้นจะตายอยู่แล้วพอเจ้าสวดไปจะไปก็หน้ามันหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงนกเหมือขึ้นไปลงมาขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยได้ห้าทีทองมันแทนที่มันจะทูกขลงขนาดนั้น พ อ, อยิงคำสวดกเออ็เป็นมาไรที่จะทากันาฟังเราก็พูดไปไปสวดอยู่ที่จรัญเมกาอยู่เมืองวัดท่านนะว่าไปสวดภาษามหายานาก็โโก็อามีโตโกอามมโตโพอามมโตโ ก, าโตโกภาษาใช่ไหมใครเคยใครเคยสวดมิตรพุทธมหาญาณเขาถือมิตรพุทธเป็นใหญ่ที่สุดเลยมากกว่าพระเจ้าด้วยซ้ำไปถ้พาพรใด ตายไปได้ไปอยู่กับพระพิทัพุทธนะง่ายที่จะบรรลุมากุศลนิพพานได้ง่ายใกล้กว่าที่จะบำเพนญจนไปเลยคนมหายานจึงก็ยามที่จะเข้าถึงอมิธะพุธให้ได้เขามีเครื่องเล็กเท่าแม่หัวแม่มือช่วยในสูงกับเขาเชื่ออเมโตโพอเมโตโกอเมโตโกนะครับรถก็อเมโตโกอเมโตโกได้ยินเลอเฉยไมิตะพุดอยู่พขขนาดนันนะ้คนใกล้จะตายเขาไปสวดกเขาหลวงตาก็ไปสวดกเขา อาใส่เสื้อใหญ่กลมเหมือนกับอ่าอะไรต่างๆอะใส่ชุดก็มีฉีกด้วยมีเขาะด้วยเก็เกลื อ, อ, อดคนป่วย ก, ก, ก็โอ้ยดีเหลือกันนะเอามาใช้บางทายเราก็ได้ลนะ่ะน้องาอย่งลู่หลังนี้กันพอสมควรเพราะอะไรเพราะเคยเจ็บสุดๆมาแล้วเคยตายมาแล้วจริงอยากเป็นเพื่อนคนตายคดเจ็บมากที่สุดเวลานี้นะวัน มันเป็นไปได้นะเวลาเขาเจ็บมองก็ไม่เจ็บได้ลืมมันก็ได้ความเจ็บเนี่ยลองดูซิบางทีมันตกกระไดคอกระโจนมันจนเต็มที่แล้วเมื่อเราไปวกว้มมันออกมาได้นะจึงว่าเหนือการ เ, เก่เจจบตายสองตา น, นี่เป็นก้อนเนื้อตะปอนปวดท้องมากที่สุดเลยทำไงไม่ใช่ปิวกับอาการกา น, นี้ก่อนจะอยู่ตรงไหนล่ะเ้าอยู่เราเอง เคยมาแล้วเคยฝึกมาแล้วเคยฝึกกขามาสนมาสี่สิบกว่าปีถึงเขาจะไม่เย็บมันใช่ได้ล้วดีมันเป็นปัจจัตตังไม่ใช่สี่สิบปีก่อนดีกว่าบางทีเราก็ถ้าไม่เคยฝึกก็มีการสวดให้ฟังบ้างตกกระไดพอกระโจนไม่ปล่อยตัวเก็บปวดได้เหมนกันอันนี้เช่นถ้าพระเจ้าไปโปรดพระเจ้า เพาะเจ้าจะโตซะแล้วได้นิพพานก่อนใ จ, ะจะขาดห้านาทีเป็นไปได้บ้านเราจะมาช่วยกันเถอะเวลานี้เรามาช่วยกันก่อนให้เห็นทางไว้สักหล่ออ่อนอวันนี้เรามาฟังหลวงตาพูดเรื่องชีวิตของเรามันตกกันข้ามไปเย็นแล้วก็เอ้าไปทําเล่นเล่นไปถึงเขามันจนมาอาจจะใช้ได้ลนะไม่มีความเกิดนั่งก็มีความไม่เกิด ไม่มีความเจ็บม่มีความไม่เจ็เมื่อมีความเจ็บไม่มีความมาเจ็บไม่อมีความตายมันมีความไม่ต า, ายแน่นอนมองตรงนั้ออกไปเลยหนีไปเลยเอาันทิ้งไปเลยมันก็ทิ้งได้จริงๆมันอยู่ได้หายใจไม่ได้อยากจะโชว์เรื่องนี้เพราะประสบการณ์พูดที่ไหนก็พูดเรื่องนี้กันมันคอใจที่พูดกันเพราะว่ามันเห็นกันทุกคนนะ่ะ โอ้ยทำไงหนอปวดไม่มีกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีหลักตรงนี้เขาอยู่ยังไงเขาหายใจไมาได้ปวดท้องเขาอยู่ยังไงอ๋เอเราต้องไปสอนเขาแล้วก็สอนอยู่แล้วต้องสอนมากกว่านี้ที่คิดถึงคนที่ยังไม่รู้เน่ยเพราะดั้นจึงอยากให้เราเด็กฟังเอาไว้หัดทำในใจบ้างได้บ้างไปได้บ้างไปไระการใดถึงขง่าวเบญจดมาได้ประโยชน์เจอแย่ไปก็มี อันนี้คือของจริงชีวิตเรามันไม่ใช่ปล่อยตัวให้เจ็บให้ปวดให้เจ็บตอกความเจ็บความตายว่าใช่เลยชีวิตของบุราุษาพัตตาได้จ้เหนือการแก่เจริญตายโดยคุยทั้งเจริญรู้ซื่อๆนี่ไปเอาภาวะที่รู้อซื่อๆนี่ไปเลยไม่มีค่าอะไรก็เจ็บก็ไม่ค่า ก, ก็แก่ก็ตายไม่หม่ค่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเช่น ว่าข้าวก่อนน้องตาไปไปสวดในฝังที่นี่ว่าจะเป็นสังขารนิจาติญาติาปัญญาจะปสติเมื่อใดบุคคลเนี่ยด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเนไม่เที่ยงจริงๆเป็นการสังขารมีกิจจะสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมใดนสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั้นแหละเป็นทางแห่งพระ涅槃ในความไม่เที่ยงไม่มีพระพานอยู่ในความเป็นทุกข์มันไม่มีพระนิานอยู่ มันก็ไม่ใช่ตัวตนเที่ยวเคยไปทุกมันมีวิาพานอยู่เทีย น, นด้วยอย่างนี้อย่าจนทำไมพวกเรามองอย่างนี้ทางป อ, อกของเราเยอะแยะฟังเอาไว้ว่ามีคนพูดดังนี้ดูเวลานี้มีคําสอนมีหลักฐานมีจริงๆในเรื่องนี้กันอย่าให้มันหมดไปเรามาพูดกันมาสวดกันมาสอนกันว่าถ้าทายสักหน่อยว่าความจริงเน่ย เรื่องนี้มันมีอยู่จริงๆพุทเจ้าสงฆ์คนพบมามาบอกมาสอนพวกเรายังเป็นปัจจุบันอยู่ยังไม่หนีไปไหนความไม่แที่ยก็อยู่กับเราอยู่ความเป็นทุกข์ก็อยู่กออับเราอยู่ความไม่ใช่ตัวตนก็อยู่กับเราอยู่เราไปกลัวทำไมเราใช้ประโยชน์จากมันเลยนะดีดี ด, ดีเห็นความหลงหนี่โอ้ชื่นใจเห็นความทุกข์ก็ชื่นใจเห็นความสุขความรักความชังชื่นใจ เป็นความง่องอนอนเส้นสมองกิจใจชื้นใหญ่งางงก็ใช่มาเป็นเรื่องเส้นมองเราดมาไปเครื่องสมองก็ไม่ถูกเลยพิษที่ถุดเลยออามาเป็นเรื่องเรื่องปัญญาปัญญาไม่เคยอย่างนี้ความรอบรู้ในกองสังขารสารพันอย่างสังขารคือมันแสดงออกสิ่งใดเป็นสังข า, งขารแต่ขานนาี้หน้ามันลงไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนช่างง่อพวกที่เจ้าเปรียบมอนช่างม่ออัตัวสังขาร ปั้หมอขึ้นมาสวยบ้างไม่สวยบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่แ ต, แต่ทั้งนี้นอันใดที่เกิดจากสังหารไม่เทียงทั้งหมดเลยชี้หนามนแต่บานนี้เป็นต้นไปอย่าให้มันเป็นใหญ่ตะไบไปแขวนได้กับมันตะไบเอาชีวิตไหอยไปแขวนไว้กับสังขารกับกับปอุ่ตใจปอใจไม่พอใจเสียเปรียบสังหาเสียเปียนความทุกข์เสียเปียนความโกรธมามากขอแล้วเอาประโยชน์เถอพวกเรา กรจะมันทุงตีเลยชื่นใจจะได้เห็นหน้าเหนตามันืนอย่าง น, นี้หน้าตาความทุกข์หน้าตาความเป็นที่ซื่อมันตรงกันอย่างนี้มองอย่างนี้มองแบบผู้ยิ่งใหญ่จะจะให้ข่ามันจะ่อยก็ัน้าตาเคยบวบมาประมาท ม, มีพระปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติมาหลายปีรู้ว่าเขาหมดชิ้เล็ดตั้งหาไปพอดีก็เกิด แล้วังเกิดว่าเขาเสียใจเสียใจเศร้าหมองมาหาหลวงตาผมปฏิบัติธรรมเาผลเมื่อผมหมดเอภาวะเช่นนี้แล้วทำไมถึงเกิดขึ้นมาเหลเดือดท้องของผ ม, มไม่ได้ผลเสียใจมาหาเราเราก็บอกว่าโอ้ยอยากอะไร <c oughs> อจิตเหมือนป๋าตัวหนึ่งสติของเรามวนช่างตัวหนึ่งหมามเม่าช่างเป็นกุศลทั้งวมีบ้าง วันไห้ทาไมละ่ะพอล้งตาเพื่อมาก็ยิ้มเลยอ๋อสู้อีกวันนี้เก็ดวันเร า, าได้ทีเลยโอ้ยหมาเห่าช้างแต่ไหมที่เห็นเหมือนาตั ว, ดตวแดงปรวติสัมปชยะของเราสาัญญาของเราเหมือนช้างหมาเห่าช้างได้ไปอะไรอะไรคิดจ้ที่เดียวเลยไม่ใช่ยิ่งใหญ่ที่ว่ากิเลสพันหน้าตาเราแบไม่ใช่กันั้นเลยสาหรับคนที่ไปรู้ คนที่รู้แล้วมีประโยชน์มากแยกไปเลยผลนประโยชน์จากเสียงนี่อุกลุ่มองหงอนอนใ่แล้วทัาต่างๆที่เป็นทางขวงขัางในพระเรียบุคคลเมืองโต้เกิดขึ้นมาได้เรียกว่าสังโยชน์ถ้างองดูจริงๆแล้วหลันตาก็เปลี่ยนใจแบบอูอสังโยชน์เนี่ยเหมือน เมือนมะเรง็งเดิมเตติสมัยนี้เหมือนทุกินซีทุกินซีไม่ต้องกินมะเรง็งไม่ใช่มะเร็งกินทุกินซีมองถึงหั่งยวทั้งหลายเนี่ยเหมือนมะเรงตัวเดิมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งได้มันใหญ่กว่าเติอินซียตัวเนะี้ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นใหญ่ที่สุดเลยใหญ่กว่าตาหูถ้าเราให้โอกาส เดี๋ยวนี้เราไปค่อยให้โอกาสแต่สติอินทรีย์เท่าไหร่ให้ตาให้หูเป็นใหญ่ให้จมูกริ่นตายใจเป็นใหญ่แต่ต่อไปเราสร้างสติอินทรีย์ขึ้นมาให้มันเป็นใหญ่ลองดูซิว่าจะมีคุณภาพอะไรลองดูสักหน่อยดูสิอะไรก็อะไรก็ตามให้สติออกหน้าออกตาให้สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจลองดูก่อนอย่าให้ความหลงเป็นออกหาออกตาอะไรก่อน พูดจะคิดจะทําให้สติเช่นก่อนหัดเช่นก่อนเอาไปมามื่ก็เป็นไปเองง่ายถ้าหัดเป็นไบก็ต้องทวนกระเสริฐสักหน่อยอาจจะหลงก่อนรู้ก็ได้ตัวหลงตัวรู้กันคู่กันจึงพยายามที่จ ะ, ะตั้งต้นให้ดีๆจากการเกิดผลนตอนแรกนะนี่ก็คือพูดแล้วปฏิบัติทุกคนก็เคยปฏิบัติกันมาบ้าง แค่ไม่เคยไปบัตรแคายิ่งดีใหญ่ดีจะได้เห็นจะได้รู้จะได้ไปทำตัวเอาการกระทําในการฝุกผนตนเองเรียนรู้จากตัวเองจึงได้กาสอบจากตัวเองเป็นผลเรียนจากตัวเองเป็นปัญญาที่ยอดเยีเ่ยมว่มาไม่ใช่ปัญญาทั่วไปพุทธเกิดพระญาจาการลบูุ่นกับองสักขา อันนี้เป็นการชี้แนะแนวทางเยืนหยันว่ามันเป็นไปได้อย่างนี้อย่าไปเสียเวลากับทางเื่นเลยเริ่มต้นจากเหยียบต้องนี้ไปถ้าเราจะให้เป็นทางก็ต้องเหยียบเป็นทางไปก่อนสร้างตัวรูปเราะว่าที่ลูปซื่อๆไปก่อนให้มันเต็มตัวไปเลยมันจะกลายเป็นทางที่ง่ายที่สุดแ้วถ้าเราไม่สร้างตัวนี้ก็ลุกลงลงังมองไม่เห็นเห็นแต่ความหลบเอาหน้าเอาตา ผมทุกออกหน้าออกตาความไม่ตกกงวันดอดาวตาเป็นปัญหาเป็นภาษาต่อการคิดใช้ชีวิตของเราถ้าไงควรู้ซื้อตัวนี้เข้าไปเนียมันแต่งอา่าชีวิตเดียบง่ายไม่หนักไม่หนักถ้าเป็นมันหนักถ้าดูมันเบาถ้าดูมันเบาหวานลดเทปันใช้เกียร์หนักกี่สวมันก็ซือ้อสองอย่างายเมนั้นตาพูดแล้วพูดเด็กว่าบ้านหลวงตาอยู่บนหลังเขาเนี่ย รถที่มันขึ้นเาขาอะชาวบ้านที่อยู่บนนั่นอะรถโดยสารที่เขาซื้อมาไหม่สิบปีเท่านัา้นโ้มหมดเลยเวลาลงกดใช่เกียร์หนักเวลาขึ้นก็ใช่เกียร์หนักมันก็ดักมันก็ส้มไปมันเหมือนรถกรุงเทพพาคนครบอลอชีพของเราทั้งมันหนักมันก็ไม่ทนทานนะแต่นี้ในการแพทย์เขาพูดว่าถ้าคนหนักมากอาจจะแจ๊ชลาช่วงอายุห้าปีไปไอายุเจ็ดสิบแปดสิบปี มันหนักมากยี่ห้าปีก็แฉแล้วนะฟังด้นเดียร์ทีอะไรก็ทำให้เบาบาวูบบาบาความรู้ซื้อมันเบาๆเบานะลองสัมผัสดูเชน่ะอะไรก็ซื้อๆลองดูทําซื้อๆอะไรก็ต่อเพราะจะไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทํางานทําการก็ซื้อๆไปใครจเรียนเท่าไปทําซื้อๆไปซื้อๆมันถูกต้องมันจะเบาๆเพราะป่าโลหตาเบากาย กิ้ไรหันตเาเบากิดเป็นเช่นที่เองผลของการศึกษาปฏิบัติฝึกหัน ต, ตัวเองมันมีอะไรสงมากนะอย่างผว้เจ้าจแสดงไว้หนึ่งเป็นพระดาใครมีในชาตินี้สองเป็นพระหันไดนในชาตินี้อรหันต์ไม่ใช่ใครที่ไหนถ้าจะเป็นกิตก็จิตไม่ไม่กระเพื่อมอรหันต์เข้าไปใน ก, กิจนะให้ขู้กิจเป็นแค่เรา ปกติบ้านของจิตคือปกติว่าใช่ลูกคนผมผมว่าเหล๋ยเอาเชื่อลูกไปที่ไหนเขาวัดการด้วยจิตใจปกติอย่นี้ปกติคือบ้านของใจถ้าใจไม่มีปกติเราใจพัดบ้านไปแล้วหาบา้านซีซี่เปนทํางเปใจปกติได้เสมอนี่นะต้อสำก่อนใจเวลาสำหรับอ้าเนะนะหอนตากาเสียงไน่ดีลิ้นแย้งนะ คงเจรลาเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเด่นเด่นมันก็ไม่อยากไปโชว์ที่ไหนแล้วมันเจอแล้วหมดสภาพเราแล้ ว, ลวนะเหมะที่จะมาบรรยายที่นี่ไหมให้คนใหม่พี่นะเดี๋ยวอยากอยู่ตามภาษาคนแก่เดี๋ยวนี้อยู่วัดก็ไม่ไทําอะไรแล้วอาศัยเพื่อนอ่าอาศัยเพื่อนอยู่เวลานี้แล้วก็อย่าไปอ เ, เอาไปเอาตัว ก, กันไปเอาตัวเองอะไร มากที่สุดนะดก็ด้วยจิตใสใจสตาของเราทั้งหลายที่ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมอาภาคปฏิบัติธรรมแล้วฝึกนตนเองนาไปใช้นาไปเป็นตองดูเวลานี่ไปเยะร้องตามพูดให้จำเอามาพูดตั้งไปทำดูแล้วก็จะเกิดกุศลขึ้นมาขอจากันครับว่าปัจจัยขัามจุดนนท์ตกท่านทุกท่านจงเน รับสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งพวงในอายุวรรน้สุขภาวะประกอบกจิตการทงานชอบด้วยสิทธิ์ได้ทำให้สัพเพเดชตําบลประสงได้โอกาสเข้าถึงกุศลธรรมมืนสูงในาสนาสมาพื่อเจ้านในชาติปีบัง น, นี้ด้วยกันทุกคนและได้ช่วยกคนในรูปตาให้เกิดความสุขต้นหน้าทุกคนทุกคนได้เธอ